แล้วก็จรู้สึกไม่ค่อยมีอะไรส่งค่ะเพราะมันจะคล้ายๆเดิมแต่ว่ามันจะฟุ้งซ่าวมันก็ไม่ค่อยเข้ามาที่ใจเท่าไหร่ใจใจมันฟุ้งไปแล้วไม่ตั้งมั่นรอบๆนอก อ, อ่ะดีที่เห็นนะเห็นด้วไปดูไปมันทํางานของมันเองถ้าใจถึงถึงก็ตามรู้ไปแต่ถ้ามันไปอยู่รอบนอกนานๆไปมันจะนิสัยเสีย ยังเคยชินหลังมันไม่ยอมเข้ามารู้ตัวคือถ้าทําตามสูตรเลยนั่นก็คือต้องทําสมถะสมถะเป็นที่อาศัยถ้าเราไม่ได้ทําสมถะหรือทําไม่ได้กานที่เราจเจริญสติแล้วทํานานไปมันไม่มีกํำลังนะอันนี้แรงมันตกแรงมันตกก็ทําสมาธิไม่เป็น เราก็หาอารมณ์ที่เป็นกุศลมาทำที่ทำแล้วสบายใจอะ่นะเช่นอ่านหนังสือธรรมะแล้วสบายใจเราก็ไปอ่านฟังธรรมะแล้วสบายใจก็ฟังอย่างเงี้ยหาอารมณ์ที่เป็นกุศลแต่กุศลแบบให้คําปรึกษากับผู้มีปัญหาชีวิตอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนั้นบุญเหมือนกันแต่ว่าทําให้เราฟุ้งมากกว่าเก่าเราฟุ้งไปมากๆว่ากดไว้กดไว้เครียด ว, วันไหนไม่มีแรงกดนั่นอาลวาดเลย พาพี่มาค่ะเขาเป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุทาสินีค่ะชื่อพี่ติวแล้วก็ตอนนี้ก็ร่างกายไม่ค่อยดีป่วยด้วยแต่ว่าสนใจการปฏิบัติจะก็เล่าให้ฟังเรื้องต้นแล้วพี่เขาก็ไปทำดูแล้วสนใจอยากากรลับหลวงพ่อเป็นไงลนะ่ะค่ะนมัสาการค่ะจิตมันยังไม่ตื่นขึ้นมานะสติตัวจริงยังยั ง, ยงมยังไม่เกิดขึ้นมาฟังธรรมะ ฟังบ่อยๆเลฟังฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยแหัสสังเกตสภาวะในใจเราเช่นบางทีเราฟังอยู่ใจก็แอบไปคิดเรื่องอื่นก็มีฟังๆอยู่ใจเราเงียบๆไปหรือใจเราฟุ้งซ่านใจเราคิดมากกว่าเก่าใจเราสงบใจเราสบายอะไรเงี้ยให้คอยดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆฟังธรรมะที่หลวงพ่อพูดอย่าไปฟังไปคิดไป ธรรมะรู้ไม่ได้ด้วยการคิดนธรรมะเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เจ้าตัวต้องเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยตัวเองธรรมะเรียนที่ไหนที่กายที่ใจของเราเองอย่าเรียนธรรมะที่อื่นอย่างธรรมะมาฟังครูบาอาจารย์พูดมันก็ธรรมะของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของเราธรรมะของเราเกิดจากการที่เราไปคอยรู้กายรู้ใจตัวเองบ่อยๆ อ, อย่าใจลอยรู้จักใจลอยไหม คนเราจะใจลอยไปทั้งวันนะขณะที่เราใจลอยไปเราจะลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจ อ, อย่างขณะ น, นี้รู้สึกไหมศัตรูสำคัญอีกอันหนึ่งของนักปฏิบัติคือการเท่งเอาไว้พวกที่เคยปฏิบัติเนี่ยเกือบทั้งหมดจะติดการเท่งไปบังคับใจให้นิ่งๆหลวงพ่อทำหน้าให้ดูนะจะเฉยเมยนะทาเฉยไม่มีความรู้สึกนะ ใครดา่าใครชมก็เฉยมันแกล้งทํามันไปข่มไว้มันไปกำหนดไว้ไปควบคุมไว้ไปบังคับเอาไว้คนที่ไม่เคยปฏิบัติมันหลงรูปเดียวหลงไปเรื่อยๆพวกนักปฏิบัตินะีถ้าไม่หลงไปก็เพ่งเอาไว้โดยเฉพาะความพยายามจะให้มีสติต่อเนื่องความพยายามจะให้สติเกิดสติจะไม่เกิดหรอกสติไม่ได้เกิดจากความพยายาม อย่างเป็นต้นวาเราพยายามไปขยับนิ้วอะไรอย่างนี้จะให้รู้สึกตัวความรู้สึกตัวจริงๆจะไม่เกิดขึ้นความรู้สึกตัวหรือสติเกิดไม่ได้ด้วยการบังคับให้เกิดนั้นบางคนเดินจงกรมพยายามกระแทกเท้าแรงๆจะไม่ให้ขาดสติจะหยิบจะจับอะไรนะเพ่งใส่มือแรงๆไม่ให้จิตเคลื่อนไปจากมือหรือจ้องไว้จ้องไว้จะไม่ให้ขาดสตินั่งขยับนิ้วขยับมือนั่งเคาะนั่งทาจังหวะ หวังว่าจะไม่ขาดสติสติไม่ได้เกิดด้วยวิธีนั้นสติไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่มีใครสั่งสติให้เกิดได้สติเป็นอนัตตาถ้ามันมีเหตุสติถึงจะเกิดเราต้องศึกษาว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติไม่ใช่นึกเอาเองนะว่าบังคับไปเรื่อยจ้องจ้องจ้องเอาไว้แล้วจะไม่ขาดสติแค่อยากจะไม่ขาดสติตรงนั้นขาดสติแล้ว แค่อยากจะปฏิบัติก็ขาดสติแล้วความอยากมันเกิดขึ้นมาครอบงาจิตใจเกิดพฤติกรรมทางกายทางใจที่เรียกว่าการปฏิบัติพฤติกรรมที่บังคับตัวเองทั้งนั้นนักปฏิบัติก็คือนักบังคับตัวเองแต่ถ้าเราหัดรู้จักสภาวะนะถ้าจิตมันรู้จักสภาวะแล้วสติจะเกิดเอง เพราะการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดสติถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดสติเราก็พยายามถูรูปถูกกังอยให้มีสติมันไม่มีหรอกมันมีไม่ได้เหมือนเราอยากได้มาม่วงนะเราไปทำนาเนี่ยมันไม่ได้มาม่วงนะอยากมีสติก็ต้องทำเหตุของสติแล้วสติเกิดเองเมื่อมันมีเหตุหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะพวกเราที่มาใหม่ๆหลายคน ทุกวันนี้คนมาใหม่ๆเยอะหลวงพ่อสอนทีละคนไม่ไหวแล้วนะฟังรวมๆกันเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติธรรมนี่คือสติสติเป็นความระลึกได้ถึงกายถึงใจตัวเองต้องกายกับใจของเราเองด้วยนะไประลึกสิ่งอื่นไม่ได้นะทำไมเราต้องมาระลึกรู้กายรู้ใจตัวเองเพื่อวันหนึ่งจะได้เกิดปัญญาเห็นความจริงว่ากายในี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรา ถ้ามีปัญญาเห็นอย่างนี้ได้โสดาบันมารู้กายรู้ใจต่อไปจนเห็นเลยมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ล้วนๆมันบังคับไม่ได้ถึงจุดสุดท้ายจะปล่อยวางความยึดถือกายปล่อยวางความยึดถือใจเรื่องกายกับใจตลอดสายคนที่ปล่อยวางความยึดถือใจได้เรียกว่าพระอาหารหันต์นี่เราต้องรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของกายของใจการเห็นความจริงเรียกว่าปัญญา รู้ความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานี่คือทางที่เราจะต้องเดินไปคือจุดนี้ไปเห็นความจริงของกายของใจ corps corps เคร <u> ื่องมือที่จะทำให้เราเห็นความจริงของกายของใจเรียกว่าสติสติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานสติทั่วไปก็ไประลึกรู้อารมณ์ที่เป็นกุศลทั่วไปแต่สติปัฏฐานเนี้ยระลึกรู้กายระลึกรู้ใจตัวเอง รู้รูไปเรื่อยจนวันหนึ่งเห็นว่าตัวเราไม่มีกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานิสติเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเมื่อกี้พูดไปนิดหนึ่งนะสติเกิดเพราะว่าจิตจําสภาวะได้สติจ ะ, ะระลึกรู้กายได้ถ้าสติเคยรู้จักกายถ้าจิตรู้จักกายก็ร่ากายเคลื่อนไหวปุ๊บสติจะเกิดเองถ้าสติจําสภาวะที่เป็นนามธรรมาได้พระ น, นามธรรมาเกิดนะสติจะเกิดเองไม่มีใครสั่งให้เกิดได้ เป็นหน้าที่ของเราต้องหัดรู้สภาวะธรรมนี่คือจุดตั้งต้นของการปฏิบัติทั้งหมดเลยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งสติจะเกิดเองหัดอะไรยังไม่ถูกนะฟังซีดีหลวงพ่อไปเรื่อยๆนะแล้วสติจะเกิดนะคนที่ฟังซีดีหลวงพ่อฟังแล้วฟังอีกฟังไปเรื่อยๆสติเกิดขึ้นมามีหลายร้อยคนแล้วนะนับไม่ถูกนะเพราหลวงพ่อพูดธรรมะมีแต่เรื่องความรู้สึกตัวทั้งหมดเลย หรือจะเริ่มต้นด้วยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ใครเคยพุโทโธก็พุโทโธไปใครเคยรู้ลมหายใจก็รู้ลมหายใจไปใครเคยดูท้องพองยุบก็ดูไปแต่ไม่ใช่ดูแบบที่เคยดูกันมาส่วนใหญ่เรารู้ลมหายใจเราก็ไปเพ่งลมหายใจไปดูท้องฟองยุบก็ไปเพ่งท้องไปขยับร่างกายขยับมือขยับเท้าเดินจงกรมก็ไปเพ่งใส่มือใส่เท้า ดูอิริยาบถสีเพ่งกายทั้งกายมีแต่เรื่องเพ่งทั้งหมดเลยอย่างนั้นใช้ไม่ได้นะได้แค่สมถะต้องหัดรู้สภาวะเบื้องต้นทำอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาก่อนรู้ท้องก็ได้รู้มือก็ได้รู้เท้าก็ได้รู้ลมก็ได้บริกรรมก็ได้พุโทโธพุโทโธไปเสร็จแล้วก็หัดรู้ทันจิตใจของตัวเองที่เปลี่ยนแปลงเช่นเราหายใจเข้าหายใจออกไปรู้สึกไป หายใจไปสักพักหนึ่งจิตไปเพ่งลมหายใจแล้วจิตไ ห, หลไปเพ่งให้รู้ทันสภาวะของการเพ่งตอนนี้เพ่งละวหรือหายใจไปหายใจไปจิตไปคิดเรื่องอื่นให้รู้ทันว่าจิตหนีไปคิดละหายใจไปหายใจไปจิตชักเคลิมเคมลิมลืมเนื้อลืมตัวให้รู้ทันว่าจิตใจชักเคลิมเคมลิมละหายใจไปแล้วเกิดมีปีติขึ้นมาะผนลุกผลฟองจิตใจ ขยับไปขยับมานะมีปีติก็รู้ทันว่ามีปีติหายใจแล้วเกิดความสุขรู้ว่ามีความสุขหายใจแล้วใจเป็นกลางกลงรู้ว่าเป็นกลางๆงหายใจไปแล้ววันนี้ฟุ้งซ่านไม่ยอมสงบเลยให้รู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ใช่หายใจให้สงบนะหายใจแล้วก็หัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนี่พวกหายใจนะพวกดูท้องพองยุบก็ทำอย่างเดียวกัน ดูท้องพองยุบแล้วอย่าไปเพ่งอยู่ที่ท้องนิ่งๆเกือบทั้งหมดเกือบร้อยละร้อยคือไปเพ่งอยู่ที่ท้องแล้วก็บริกรรมไปด้วยพอง น, อพ น, อน้อยยุบน้ออะไรนี่นี่สมรรนะตราบใดที่ยังบริกรรมอยู่ตราบนั้นยังเป็นสมรถะอยู่เพอะวิปัสสนาต้องพ้นจากความคิดนี่เราลองใหม่เราดูท้องฟองยุบไปจิตเราแอบไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้จิตเราไปคิดเรื่องฟองเรื่องยุบเราก็รู้จิตไหลเข้าไปเกาะ อ, อยู่ที่ท้องเราก็รู้นะ จิตเป็นสุขจิตเป็นทุกข์จิตสงบจิตฟุ้งซ่านคอยรู้ไปเรื่อยจิตมีปีติผลลุกขนพองขึ้นมาก็รู้จิตมีความสุขก็รู้จิตเฉยๆเป็นอุเบกขาก็รู้จิตใจเป็นยังไงคอยรู้ไปเรื่อยนี่คือการหัดรู้สภาวะคนไหนขยับมืออย่างสายหลวงพระเทียนก็ขยับไปขยับแล้วจิตไหลไปเพ่งอยู่ในมือก็รู้ทันขยับแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นก็รู้ทัน หัดรู้สภาวะอย่างนี้นะที่มาใหม่ๆหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆจนจิตจำสภาวะได้ไม่ใช่เราจำได้นะจิตเขาจำได้ของเขาเองถ้าเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตถึงจะจำได้นี่พอจิตจำได้แล้วพอสภาวะ น, นั้นเกิดนะสติจะเกิดเองเพราะสติเกิดจากทิระสัญญาทอทุงสระอิรอเรือทิระทิระสัญญาสอเสือมการยอหญิงสองตัวสระอา ทีละสัญญาคือการที่จิตจําสภาวะได้แม่นจิตจําได้แม่นเพราะจิตเห็นบ่อยๆนั้นหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติเบื้องต้นนะทํากรรมฐานมาหนึ่งแล้วหัดรู้สภาวะบ่อยๆจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้จิตเป็นสุขเป็นทุกข์จิตมีความโลภความโกรธความหลงอะไรหัดรู้ไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันแบ่งเวลาไว้ส่วนหนึ่งวนละห้านาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้แล้วทําทกรรมฐานแล้วก็หัดรู้สภาวะไป นี้พจิตจำสภาวะได้แล้วต่อไปเราไม่ได้จงใจนะเช่นเราไปเห็นหน้าเพื่อนเดินมาพอเห็นเพื่อนเดินมาความดีใจเกิดขึ้นละสติจ ะ, ะระลึกได้เลยว่าดีใจแล้ะสติคือความะระลึกได้นะพวกเรารุ่นหลังไปแปลสติว่ากําหนดสติไม่ได้แปละว่ากําหนดพระไตรปิฎกไม่ได้แปลสติว่ากําหนดนะสติคือความะระลึกได้เช่นเห็นหน้าเพื่อนมาแล้วมันดีใจเนีย ะระลึกได้คือรู้ทันเลยว่าตอนนี้มันดีใจขึ้นมาแล้วความดีใจเกิดขึ้นก่อนแล้วรู้ว่าดีใจนี่เรียกว่าะระลึกได้เสร็จแล้วก็อยากไปคุยกับเพื่อนเห็นเลยว่าอยากไปคุยกับเขาอยากไปทักทายเห็นแก็ไปทักทายไปคุยกันคุยไปคุยมามันขัดคอจากดีใจเปลี่ยนเป็นโมโหแล้วสติะระลึกได้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วนี่ให้คอยะระลึกไปอย่างนี้ทั้งวันนะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติไม่หนีการกระทบอารมณ์ไม่หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์แต่พอกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยจิตใจของเราเกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาให้ค่อยตามรู้ไปเรื่อยๆตามรู้นะอย่าไปดักไว้ก่อนให้ตามรู้ไปเรื่อยๆเราจะเห็นเลยจิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวหดหู่นะนานาชนิดเดี๋ยวก็เบิกบานแจ่มใส นี่เราเห็นอย่างนี้เพื่อจะได้เห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ได้ฝึกเพื่อให้สงบถาวรให้สุขถาวรนะพวกเราหลายคนเข้าใจผิดพยายามปฏิบัติธรรมเพื่อจะให้มันสงบถาวรให้สุขถาวรให้มันดีไม่มีกิเลสถาวรไม่ได้ฝึกเอาอย่างนั้นหรอกฝึกเพื่อให้เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ฝึกเพื่อให้เกิดปัญญาบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาพระเจ้าสอนนี้นี่เราทํากรรมฐานนี่เพื่อให้มันเกิดปัญญา ให้มันเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจเรียกว่าปัญญาเราเรารู้กายเรารู้ใจไปรยดูจิตดูใจเราก็จะเห็นจิตใจเปลี่ยนแปลงทั้งวันแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันในวันเดียวกันแต่ละเวลาก็ไม่เหมือนกันเช้าสายบ่ายเย็นไม่เหมือนกันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์นี่หัดดูเพื่อให้เห็นความจริงเป็ในใจยอมรับความจริงนะว่าทุกสิ่งความรู้สึกทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้น สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่พระโสดาบันเห็นตรงนี้เท่านั้นเองนี่เราปฏิบัตินะมันอ้อมๆค้อมไปเราไม่รู้ว่าเราทําอะไรเพื่ออะไรส่วนใหญ่ทําไปโดยมุ่งหวังจะได้รับความสุขความสงบความดีมุ่งไปตรงนั้นนะก็พยายามบังคับกายบังคับใจเรื่อยๆไปมันไม่ได้ปัญญาอยากได้ปัญญาต้องรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะรู้ลงไป มันรู้ได้ก็เพราะว่าสติมันเกิดสติมันเกิดเพราะมันจําสภาวะได้มันจําสภาวะได้เพราะหัดรู้สภาวะบ่อยๆเมื่อนทุกวันต้องหัดรู้สภาวะนั้นแบ่งเวลาไว้10บนาทีสิบห้นาทีอะไรเงี้ยแล้วทํากรรมฐานอันหนึ่งขึ้นมาอะไรก็ได้แล้วแต่เราคุ้นเคยทํากรรมฐานแล้วก็หัดรู้สภาวะไปหัดรู้จิตรู้ใจตัวเองไปบ่อยๆต่อไปแล้วสติจะเกิดในชีวิตประจําวัน ถ้าสติเกิดเนะจะไม่ต้องมาถามหลวงพ่อเลยว่าตื่นหรือไม่ตื่นก่อนที่สติจะเกิดเนี่ยมักจะได้ยินหลวงพ่อพูดบอกในโลกนี้ไม่มีคนตื่นในโลกนี้มีแต่คนหลับคนฝันหัดใหม่ๆมามาฟังหลวงพ่อใหม่ๆไม่เข้าใจนะนึกว่าหลวงพ่อแกล้งปรามทย์ลบหลู่เล่นหลวงพ่อพูดซื่อๆนะพูดอย่างจริงใจเลยในโลกนี้ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอกถ้ารู้สึกตัวเป็นจริงๆพระริย่ามันจะเต็มโลกแล้ว วันนี้กระพร่องกระแท่งเต็มทีนะมีแต่ริยะเถื่อนเถือ น, อนเต็มไปหมดเลยภาวนาล้ว บ, บ, บูบบ้าบ้าเป็นพระริยะนะนั่นอยากเป็นพระริยะนะเรามีสติขึ้นมาหัดรู้สภาวะสติเกิดพอสติเกิดเนี่ยมันจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้ดับทุกอย่างเกิดแล้ดับเื่อใดใจมันยอมรับความจริงใจยอมรับความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยพระโสดาบันะ งั้นเรียนต้องเข้าเป้านะเรียนอ้อมไปเรื่อยอาจารย์ให้รู้ลมหายใจก็รู้ไปเรื่อยนะไม่รู้ว่ารู้เพื่ออะไรอาจารย์ให้ดูพองยุบก็ดูไปเรื่อยไม่รู้ว่าดูเพื่ออะไรหวังว่าวันหนึ่งมันจะดีมันต้องเทียบเข้ากับคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ได้ศรัทธาเคารพครูบาอาจารย์ก็ดีแล้วละ่ะแต่อย่าลืมว่าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะเราเป็นชาวพุทธนะต้องเรียนศา ส, ส, สนาพุทธไม่ใช่เรื่องนึกเอาเอง หรือไม่ใช่เรื่องศรัทธาศรัทธาหลวงพ่อก็มาฟังหลวงพ่อก็เชื่อหลวงพ่อก็งู้ตามหลวงพ่อนะธรรมะมันไม่ใช่เรื่องไปฟังคนอื่นได้ต้องมารู้กายมารู้ใจตัวเองจนเข้าใจความจริงของกายของใจนั่นแหละเรียกว่าเข้าใจธรรมะเพราะกายกใจของเราเนี่ยแหละคือธรรมะกายเรียกว่ารูปประธรรมใจเรียกว่านามธรรมธรรมะอยู่ที่นี่ธรรมะไม่ได้อยู่กับพระนะธรรมะไม่ได้อยู่ที่วัดไม่ได้อยู่ตอนเข้าคอร์สนะธรรมะอยู่กับเราตลอดเวลา เราละเลยที่จะรู้ธรรมะของเราเองนี่เมื่อแต่เรียนธรรมะภายนอกนะวิ่งไปเรียนสำนักโน้นสำนักนี้อะไรเงี้ยมันไม่เข้าใจหรอกน่าสงกันบ้านเลยขอขอโอกาสสามประเด็นครับหลวงพ่ mm hmm. อนี้ตื่นเต้นเล็กน้อยครับไม่เท่าคราที่แล้วอันแรกก็คือว่าตลอดวันก็ทำอย่างที่หลวงพ่อสอนครับเจริญสติชีวิตประจำวันแล้วก็ตกเย็นลงก็สวดมนต์อะไรต่งตาง อันที่สองก็คือว่าไอ้เรื่องที่ว่ามันขาดไปขาดไปโดยที่เราไม่ตั้งใจนี่มันอะไรนะไอ้ที่ว่ามันจิตมันขาดหายไปโดยที่เราไม่ตั้งใจนี่อันนี้เห็นอยู่แล้วครับเช่นอย่างนั่งซ่อมปั๊มน้ําอยู่กําลังนั่งเคียิดๆอยู่มันก็ขาดไปขาดไปเป็นช่วงเป็นช่วงอืประการที่สามเนี่ยนะครับเคยได้ยินหลวงพ่อพูดว่าตราบใดที่ยรงเห็นเป็นสองอยู่ตราบนั้นยังไม่ใช่ อันนี้ผมยังเห็นเป็นสองอยู่ยังไม่เห็นเป็นหนึ่งอย่างผมก็ยังดีนะเราเห็นร่างกายนี้ทํางานไปใจเป็นคนดูนะเห็นจิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นกุศลนักกุศลใจเป็นคนดูนี่ฝึกอย่างนี้ก่อนยงผมไม่มันก็เป็นสองก่อนอย่างผมไม่สบายอยู่เนี้ยครับถ้ามองไอ้ตัวไม่สบายนี้มันก็คือตัวทุกข์มองไอ้ตัวรู้นี้มันเบาออมันมีสองอันเนี่ยเวลาเราปฏิบัติตลอดสายเลยนะ จนถึงนาทีสุดท้ายเลยยังมีสองอันบางคนบอกว่าปฏิบัติแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนี่เพราะว่าไปดูตัวรู้ที่ตัวรู้มีแต่ความสุขหรือปฏิบัติแล้วมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยอันนี้ดูขันถามว่าแล้วอันไหนถูกก็ถูกทั้งคู่นะแล้วแต่ว่าจะมองจากมุมไหนแต่ว่าไม่ได้จงใจที่จะไปอยู่กับขันไม่ได้จงใจที่จะไปกำหนดตัวผู้รู้นะสติมันพลิกแปลงของมันเองดีแล้วค่อยฝึกไป หลวงพ่อเคยเจอนะมีคนหนึ่งคิดว่าเป็นพระอรหันต์นะจิตใจมีสองส่วนเวลารู้นี่รู้ออกที่ตาหูจมูกลิ้นกายนะแล้วตรึงความรู้สึกไว้ที่นั่นเลยมันไม่ย้อนเข้ามาที่ใจเลยใจจะกลวงๆอยู่ข้างในเนี่ยภายในภายนอกไม่เสมอกันนี่ใช้ไม่ได้เลยอีกอรหันต์หนึ่งฝึกเพ่งความว่างว่างใจก็ว่างนะโลกก็ว่างข้างในก็ว่างนี่ดูเสมอกันนะ แต่เวลากิเลสเกิดเนี่ยจิตไหลให้ไปเ ก, กาะไปกิเลสได้จิตยังถูกกิเลสย้อมได้ผมข้อชี้ให้ดูเนี่เศร้าหมองขึ้นมาแล้วแกก็เฉียงนะบอกว่านี่เป็นกิริยากิริยาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะกิริยาเนี่ยอะไรอะไรก็ย้อมจิตไม่ติดนะไม่ใช่ย้อมจิตติดเนี่ยหลายคนเลยนะภาวนาแล้วก็เกิดอาการแปลกๆขึ้นมาแล้วคิดว่าบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เรียนะ่ะ จริงๆแล้วในตำรับตำรานีมีชัดเจนนะในอย่างไหนพระพิธามเนี่ยการกระบวนการบรรลุมรรคผลเนี่สอนไว้ด้วยซ้ําไปเราภาวนาไปนะท่าเป๊ะเลยตรงกันเป๊ะเลยมันไม่ใช่ภาวนาแล้วเกิดแปลกๆก็พเชื่อมันนะเนี่ยหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นเลยสภาวะธรรมทั้งหลายมันทํางานของมันเองดูได้แล้วใช่ไหมเออมันทํางานเองนะมันจะสุขมันก็สุขนะมันจะทุกข์มันก็ทุกข์จะเกิดกุศลกัอกุศลเราเลือกไม่ได้ดูออกกันยังตรงนี้ ดูไปเรื่อยเราจะเห็นเลยเราเลือกไม่ได้เราบังคับไม่ได้เราทําอะไรไม่ได้นี่แหละมันจะเห็นซ้ำํำๆนะถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดมันไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองพระโสดาบันเนีระสักยัตทิฐิได้คือละความเห็นผิดว่ามีตัวเรานี่เราเฝ้ารู้พอสติตัวจริงเกิด น, นะขันมันจะกระจายตัวออกไปรูปส่วนรูปเวทนาส่วนเวทนานะสังขารส่วนสังขารจิตส่วนจิต กระจายแต่ละตัวก็ทำตามหน้าที่ของตัวเองมันทำงานของมันไปเราตามรู้ตามดูวันหนึ่งใจแจ้งขห้นมาขันทั้งหมดนี้ไม่มีเราเยทำงานได้เองขันทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไปตามเหตุตามปัจจัยของมันไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราที่แท้จริงตรงนี้ละสักกายทิฏฐิได้นะละสักกายทิฐิได้นี่ไม่ใช่นึกนึกเอาแล้วละนะพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหม ในนี่ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆ เ, เป็นเราคนเดิมถ้าละสักกายทิฏฐิได้นะต่อไปพอระลึกย้อนลงมาดูเนะี่ยจะไม่พบความเป็นเราเหลืออยู่เลยจะเผลอก็จะขาดสติยังไงนะความเป็นเรานี้ไม่เกิดขึ้นอีกความเห็นว่ามีเราเนี่ยไม่มีขึ้นมาอีกนี่ละแลต้องละเป็นสมุดเฉดปาหานจริงๆคือขาดแล้วขาดเลยนะไม่ใช่โผล่ๆๆนะวันนี้มีเราพรุ่งนี้ไม่มีเราก็บรรลุแล้วไม่ใช่นะ สักครู่หลวงพ่อบอกว่าตัวเราอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่ามันอยู่นอกๆมันอยู่นอกๆอยู่ตรงไหนก็ได้แต่มันมีอยู่อันหนึ่งใช่ครับที่มันนอกๆเพราะว่าใจเราเริ่มตั้งมั่นมันเริ่มถอดถอนออกจากขันมันเห็นขันทํางานไปใจมันดูอยู่นอกๆแยกกันดูไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเห็นไลยไม่มีเราตอนนี้ยังรู้สึกมีเราน่าแหละดูไปนะวันหนึ่งตัวนี้ขาด จะเห็นแต่ว่าธาตุขันนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทํางานไปแต่ไม่มีเราดีแล้วภาวนาดีขึ้นนะสองคนใช้ได้แล้วเราตอนที่มีสติเนี่ยมันวูบลงได้ไหมครับได้ได้ใช่ไหมครับเออวูบแบบไหนวูบลงไปมันดับลงไปปะไม่ไม่แน่ใจครับดูแต่รู้ว่ามันมีอาการถ้าเกิดแบบปกติมันจะขึ้นใช่ไหมแต่ว่าพอมันวูบแล้วมันมันรู้สึกว่ามันวูบลงเป็นระยะ ระ ย, ยะระ ย, ยะรู้สึกดูไม่ท<ด>ันครับไม่ต้องทันดูไม่ได้หรอกคือถ้าเราภาวนาไปสติเราเกิดแล้วเนี่ยเราดูจิตดูใจเราจะเห็นจิตนี้เกิดดับจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะหล่นปุ๊บหายไปมีช่องว่างเล็กๆนิดหนึ่งมาขั้นเล็กๆนะเล็กมากๆเลยตัวเนี้ยคือผวังขจิตาพอผวังขจิตดับลงไปจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาผุดขึ้นมาตั้งอยู่มาทํางานแล้วก็ดับลงไปอีกมีผวังเล็กๆมาขั้นอีก บางคนเห็นบางคนไม่เห็นแต่ไม่เป็นไรถ้าเห็นขันกระจายออกไปก็ใช่ไดนะ้คือการเห็นตรงทำวิปัสสนามันดูได้หลายแบบอันหนึง่งเห็นสันตติขาดความสืบเนื่องขาดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีช่องว่างมาขั้นเรียกสันตติขาดอันหนึง่งคณะแตกคณะคอละครางนอนหนูคณะคือความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรารู้สึกเนี่ยกลุ่มก้อนนี้คือตัวเราประสติตัวจริงเกิดเราจะรู้สึกไอ้ก้อนนี้ไม่ใช่อันเดียวแล้ว กระจายตัวออกไปเนี่ยมันจะเพิกถอนความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เหมือนกันมีหลายแบบนะงั้นไม่ใช่ว่าวิธีปฏิบัติยังไงดียังไงไม่ดีไม่ใช่ทางใครทางมันแต่ว่าเสร็จแล้วมันต้องลงในร่องรอยอคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่หนีไปสร้างพบขึ้นอันหนึ่งแล้วก็ บ, กบรรลุนะเยอะมากหลวงพ่อต้อมานั่งแก้น้าปวดหัวนะพึ่ง งานเยอะแล้วก็มันวุ่นวุ่นยุ่งยุ่งแล้รู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้ทําอะไรไปเลยค่ะหลวงพ่อต้องทํา <ไป S 1> นะ<ล>ยอย่าทิ้งการทําในรูปแบบเป็นเครื่องช่วยถ้าเราจะเจริญสติในชีวิตประจําวันเนี่ยก็ไม่ใช่อยู่ๆก็จเจริญไปเรื่อยๆนะถึงว่าหนึ่งกําลังก็ไม่พอครูบาอาจารย์วัดป่าจะสอนอย่างสายวัดป่าเนี่ยการปฏิบัติมีสา สมสเต็ปต้องทําทั้งสามอันอันแรกเลยทําความสงบให้จิตตั้งมั่นจิตสงบมีกําลังขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมานี่คนส่วนมากพอจิตสงบตั้งมั่นแล้วขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจเนี่ยครูบาอาจารย์จะสอนให้พิจารณากายอันนี้ก็เป็นสมถะอีกแบบหนึง่งให้คิดพิจารณากายให้คิดพิจารณากายพมดเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะตอนนี้ต้องมีสติในชีวิตประจำวัน สติในชีวิตประจำวันเนี่ยตัวสําคัญที่สุดแต่การที่ทําใจสงบตั้งมั่นทําใจให้ไม่ขี้เกียจที่คล้านอันนั้นก็เป็นตัวสนับสนุนที่สําคัญมากนี่พวกเราถ้าเราทําฌานไม่ได้แต่ละวันนะแบ่งเวลาไว้หน่อยไหว้พระไว้สวดมนต์ไว้นะได้สมถะสวดมนต์แล้วจิตใจสงบได้สมถะถ้าสวดมนต์แล้วขี้เกียจให้รู้ว่าขี้เกียจ เราไหว้พระส่วนหมนแล้วเราก็แบ่งเวลานะปฏิบัติในรูปแบบห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีอะไรเงี้ยต้องทำํำอย่างที่หลวงพ่อพูดตั้งแต่ต้นแล้วนะแบ่งเวลาไว้แล้วก็ทําตามรูปแบบไว้หน่อยแล้วหัดรู้สภาวะไปการหัดรู้สภาวะทุกวันทุกวันมีประโยชน์มากมันจะทําให้เรามีกําลังสติมันจะมีกําลังที่จะเจริญสติในชีวิตประจําวันได้ถ้าเราทิ้งการทําในรูปแบบไปเลยนะ เราจะไม่มีกําลังจริงมันเหมือนรู้นะแต่ใจจะกระจายกระจายรู้อย่างเนี้ยเพิ่งรู้สึกไหมรู้แบบไม่มีแรงรู้แบบเป่อแปร่เป่าแป้ไม่มีเรียอมีแรงรู้ว่าเรารู้อะค่ะแต่ว่ามันไม่ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนแล้วเหมือนัะไม่รู้เออมันเหมือนหลงก็ไหลายๆแล้วก็มันเหมือนรู้ที่หลวงพ่อพูดทีแรกอะมันเหมือนรู้นะแต่มันรู้อยู่นอกๆใจมันไม่ตั้งมั่นมันไม่มีกําลัง มันอยากนอนหรือว่าอยากพักอย่างอื่นที่ไม่ใช่สวดมนต์นั่งสมาธิเอองั้นก็ไปนอนไป <c oughs> กรรมฐานของหลวงพ่อมีนอนด้วยนะเถออ้าง่วงแล้วไปนอนนะถ้าหิวา ก, ก็ไปกินนะออแต่ว่าตลอดเวลานั้นถ้ายังไม่หลับแล้วก็ไม่ได้ทำงานที่ใช้ความคิดตลอดเวลานั้นนะคือเวลาปฏิบัติตอนกินข้าวอยู่ก็ไม่ได้เลิกปฏิบัตินะ จะเข้าซ่วมเข้าห้องน้ำอาบน้ําอาบท่าอะไรก็ต้องปฏิบัติไม่ให้ขาดสายเลยมีสติรู้กายรู้ใจไปเรืเ่อยๆไม่เว้นวักตอนนี้เหมือนภาวนาไม่เป็นแล้วหลวงพ่อมันจับจุดไม่ถูมันไม่ใช่อะไรมันจับไม่ได้เพราะว่าใจไม่มีแรงแรงมันตกไปห่หางวัดไปนิดนึงมาบ่อยๆเดี๋ยวก็มีแรงเองอะนั้นมานั่งแถวๆนี้นะัแรงเกิดเร็วนะเ <c oughs> งินพวกรู้มากนะจะแย่งกันนั่งตรงย่อมเนี้ยะ เอา้าคุณกนิษฐาพูดใกล้ใไหมคือ ถ, ถ้าไม่เข้าใหม่นะเดี๋ยวโยว่ า, านะไปทําแผนซีดีแล้วไม่มีเสียงคนถามมีแต่เสียงหลวงพ่อโยไม่พอใจไ ม, ไม่สงสัยอะไรคะัะแต่ยังปฏิบัติไม่ได้ไม่ไม่สงสัยครับเพ้ฟังหลวงพ่อบ่อยมากแต่ ยัเรายังว า, างไม่ได้ยังปฏิบัติอยู่น ค, นคุณคณิ t h าดูออกไหมเรายังจงใจปฏิบัติอยู่นะแล้ว ร, รู้สึกไหมเราประคองไว้นิดๆประคองจนเป็นอัอะไรอัตโนมัติะจะนนิ่งๆมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งนะคงที่ไว้ไงั้นให้รู้ทันตัวนี้นะเราเลิกซะไม่งั้เราเดินต่อไปไม่ได้ละใจมันจะไม่ยอมเดินปัญญาจริงอะมันจะประเภทกลัวๆกล้าๆ อยากเจริญสติจเจริญปัญญาแต่กลัวเผลอกลัวฟุ้งส่น้นมือหนึ่งไปกเกาะราวสะพานไว้นิ่งๆนะขาก็อยากเดินนะขาไปมือไม่ไปนะ <c oughs> มันเดินไม่ได้ค่ะ <c oughs> ดูออกไหมมันมีความนิ่งคงที่ไว้ตัวหนนะึ่งอ่ะมีค่ะนั่นแหละตัวนั้นเลิกซะปลนะ <c oughs> ไปฟรีไปเลยฟรี <c oughs> ไปเลยฟรีไปเลยแต่ว่าไม่ทิ้งการทำตามรูปแบบค่ะ ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเนี่ยจะช่วยแต่ถ้าฟรีไปเลยแล้วไม่มีรูปแบบไปช่วยเลยนะเดี๋ยวจะตะเลิดไปค <c oughs> จะฟุ้งซ่านไปเลย <c oughs> คือจริงๆถ้าเป็นครูบาอาจารย์วัดป่าท่านจะให้ทําทสมาธก่อน <c oughs> ทําสมาธิแล้วก็มาจเจริญสติเนี่ยนี่พวกเราคนชาวเมืองเราทําสมาธไม่ค่อยเป็นแล้วทำไม่ค่อยได้สมาธิ ท, ทากันนานนะป่าใจจะเข้ามาเป็นหนึ่ง ถ้าทำตามรูปแบบเต็มที่เนี่ยเราทําไม่ค่อยไหวเราทําได้แค่วันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านเราทําได้แค่นี้เองดังนั้นเมื่อทรัพยากรความสงบเรามีน้อยเราจะมารอให้สงบเต็มที่ก่อนแล้วจะมาเจริญปัญญาเนี่ยมันไม่ทันกินจนแก่จนตายยังไม่ได้สงบจริงเลยเราก็ต้องเนี่ยเรายักจนมีเราก็ต้องทำมาหากินไปแบบจนจนของเราอย่างนี้แหละ ทำความสงบได้นิดๆหน่อยๆก็เอาไหว้พระสวดมนต์ได้นะก็เอาอย่างน้อยก็ได้สมถานนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทําตามรูปแบบไว้เหมือนนักมวยหัดซ้อมชกชกกระสอบชกลมอะไรเนี้ยซ้อมทุกวันจะได้ออกหมัดเร็วแล้วก็หัดทํากรรมฐานนั่นหนึ่งแล้วหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆสติจะได้เกิดเร็วต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยพอใจเราเผลอไปแว บ, บมันจะไม่เผลอนานมันจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิด นี่ถ้าเรากลัวเผลอกลัวหลงกลัวไม่ได้เจริญสติกลัวไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราไปเกาะอะไรไว้นิ่งๆอันหนึ่งนะมันไม่ได้จริงหรอกต้องใจถึ ง, ถ, งถึงนะไม่งั้นเดินต่อไปอีกไม่ได้ะชาตินี้จะได้อยู่ที่เดิมต้องใจถึงนะรู้สึกไหมเราประคองไว้จนเป็นอัตโนมัติเนี่ยครับอาจจะไปมีเป้าที่กลัวมากแล้วกลัวมากไปกลัวลว่าจะไม่ได้ว่าจะทำไม่เส อย่า ก, กลัวไม่ดีอย่า ก, กลัวโง่ต้องใจถึงถึงเหมือนอย่างเคยเห็นสะพานตามบ้านนอกไหมข้ามคลองนะเป็นไม้ไผ่ลําเดียวแล้วอย่างมากก็มีไม้ไผ่าาอีกอันหนึ่งอยู่ข้างๆ้างถ้าเราจะข้ามสะพานให้ได้แต่เรากลัวตกสะพานนะเราจับไม้ไผ่ข้างๆ้าไว้จับจนแน่นแน่น่ะข้ามไม่ได้นะต้องจับบ้างปล่อยบ้างปล่อยมือไปตอนนี้ทรงตัวได้แล้วปล่อยมือไปเดินไป ได้29ฟ้าไว้ละวเพาะจะตกแล้วนั้นการทําตามรูปแบบเนี่ยเหมือนราวสะพานในการที่เราประคองรักษาจิตไวเ้เหมือนราวสะพานแต่ถ้าเราประคองตลอดเวลานะเราไม่ยอมข้ามสะพานละก็ยืนดูสะพานอยู่ตรงนี้ข้ามฟากไม่ได้เดินไปได้นิดหน่อยครึ่งทาง1ในสหรือเดินไปสองสากก็ไม่ยอมเดินละ ต้องใจถึงนะงงอันแรกสุดถือศีลห้าไว้ก่อนศีลห้าจำเป็นที่สุดเพราะต่อไปนี้เราจะไม่ข่มใจแล้วพอเราไม่ข่มใจนะักิเลสจะขึ้นมาเยอะงั้นต้องถือศีลห้าไว้ก่อนนะกิเลสจะรุนแรงแค่ไหนไม่ให้ล้นออกทางกายทางวาจาไปเบียดเบียนคนอื่นนะอันที่สองสึกฝึกซ้อมของเราทุกวันนะฝึกซ้อมมีรูปแบบของการปฏิบัติเป็นเครื่องอาศัยไว้นะั่นที่สมสติจะเกิดขึ้นเอง เนี่ยมันจเจริญสติในชีวิตประจําวันแต่ทุกวันต้องซ้อมถ้าไม่ซ้อมเลยใจมันจะกระจายแบบพึ่ง่มันจะไม่มีแรงเหมือนรู้นะแต่ไม่รู้นี่สุดโ ต, โต่งคนละข้างของพึ่งอะมันฟุ้งกระจายไปเลยขอคุณคณิษฐากลัวจะหลงในเกาะเอาไว้เลยมันสุดโตค่คนละฝั่งกันเดี๋ยแล้วมันข้ามฟากไม่ได้ทั้งคู่เลยเอ่ะสรัญญาได้อีกหนึ่งนาทีอ่ะตอน ตอนที่นั่งเช้าเช้าเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันมีแน่นแต่มันแน่นมากแน่นน้อยอะไรเ ง, งี้ยะเป็นหลักอืแล้วก็กังวันแลก็บางทีก็ชอบดูหายใจแต่ไม่รู้มันเพ่งหรือเปล่าตอนนี้พอใช้ได้ใช้ได้อยู่ก็ที่ทําอยู่พอใช้ได้เวลาเรานั่งเช้าเช้านี่มันแน่นก็ดูแบบคนอื่นออแน่นมาแน่นน้อยอย่างเงี้ยตเห็นคนอื่นแน่นยังได้ใช่ไหมใช้ได้ที่ทําอยู่ใช้ได้นะหรือละใจมันค่อยตื่นแล้วรู้สึกไหมแล้วมันก็มีความตื่นมีความเบามีความสดชื่น มีความสุกชฉยขึ้นมาเป็นระยะระยะแถวๆอะไรเงี้ยมันจะมีของมันเองใช้ได้ละที่ทำอยู่โอ้เช้านี้ได้แถวเดียวเดี๋ยวภาคสายได้อีกสองแถวแล้วมั้ง <c oughs> ข้างหลังหนะ้าเรียนไม่ถึงเอาซีดีไปฟังนะฟังแล้วเวลต่อไปเวลามานะรีบมาแย่งนั่งข้างหน้านะหลวงพ่อถือว่ามานะข้างหน้ามาก่อน <c oughs> ไล่ไปตามลำดับ